เดินเดี๋ยวไปเดินจบจบเจ็บเจ็บเดินไปชั่วโมงมั้งอ่ะเป็นชั่วโมงไป็นสามสิบนาทีเดี๋ยวมันก็จะหายหรอกผม่วงมันไม่นานหรอกผม่วงมันไม่นานแปบ๊บเดียวมันก็หายถ้าเราสู้มันจริงนะถ้าเราไม่สู้มันมันไม่หายเลยจนตายจนตา ย, ยาจริงๆตายท่ากัน hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้จะจ้างคนใหมอ่อันนี้เอาจคลิปะเละ นั่งในโต๊ะเดี๋ยวเราไปมีโต๊ะให้นั่งอมีเก้าอี้ให้นั่งนั่งพิงแล้วก็เอาถึงหลับก็ะเกาะสบายพรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้มากะจุดนี้เราจะมาจุดก่อเวลาเดิมแล้วพบกันที่ก็เวลาเดิมพบกันอีกแล้วาาก็เรื่องวุ่วเลยสิแล้วเล่าเล่าแล้วล ว, ล ว, วันนี้กับวันพรุ่งนี้บุรี น, นี้จนตายเราต้องสู้กับวันนี้สู้เดี๋ยวนี้วันนี้ อย่าไปตามมันสู้ให้ไม่ได้ด่าสู้ให้ไม่ได้อย่าไปตามมันถ้าตามมันถ้าให้มันก็มันก็เอาเรื่อยเลยอย่างผมขอโทษผมไปยเยไปตั้งวัดที่บ้านของกูผมตั้งวัดใหม่ผมก็ไปบินธบาติสมิธบัติพอานี่มันทางนั้นเขาไม่บินธบาติไม่มีพระบินธบาติหมามันเหา่าเป็นสายไปเลยแล้วก็ผีบปอบเดินไปหมาเห่าเป็นเท่าเลย จะทำยังไงวัน2วันก็ยังเข่าอยู่แต่เ น, นึกได้นึกได้ก็จกข้าวในปากให้มันกินจกข้าวแลใส่ปากมันร้ายทีนี่ไม่มีเข่าแล้วทีนี้ก็ดิ่หางใส่ในทิ้งวโอ้เสียงนี้เองแกง่ายๆไม่แกง่ายๆทิ่แมันเห่าแล้วหาไม่เดียวหาอะไรจะปไปไล่มันเดียวไล่มันมันไมกัดเลย หาวิธียังไงทีทม่มันเหา่าตกข้าวในบาดบอนมันโคอบายอะไรเงี้ยเลยวิ่งมามถึงวัดนี่ยความวุม่นก็เหมือนกันนะหาอบายบ้างหาอุบายหาสิ่งที่มันถูกกับจดิกของเจ้าของบ้าง อ, อย่าไปทําอะไรให้มันค่อนแอเลยหาอบายหาสิ่งที่มันเอมันมีวิธีของมันอยู่ วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติปฏิบัติให้มันถูกการยกมือสร้างจังหวะก็ให้มันถูกให้มันถูกต้องเดินในกลวงเหมือนกันทำถูกมันถูกเด้ถ้าทำผิ ด, ผ ด, ด, ม, ผดมันผิดเลยจริงๆถ้าทำผิดมันผิดถ้าทำถูกมันถูกยกมือสร้างจังหวะก็สิบสีจังหวะอย่างในลูปอยวควพายยกวางหัวเข่าต่อแขงไว้ยกขึ้นเอาภาเตะเดือ เนี่ยแล้วก็สลับกันมือซ้ายมือขวาเลื่อนขึ้นมาที่นหน้าอกเอาออกเอาวางที่หัวเขา่าคว่มลงแล้วความไม่ถูกจังหวะถ้าทําถูกแล้วมันเพราะเรื่างมันมีมีระบบระบบของการปฏิบัติธรรมมีศิละปะในการปฏิบัติธรรมมีจุดยืนถ้ามันไม่มีจุดยืน น, น, จ, นจะยืนไปที่ไหนเนาะไม่รู้จะยืนท่าไหนดี ต้องหาจุดในการปฏิบัติจุดในการปาระพฤติปฏิบัติธรรมก็จริงอยู่บางครั้งบางคราวมันก็อิดีบที้ย่อยก็มีเหมือนกันเข้าไปกับพิษกาหายใจอ้าปากแต่มันเป็นสิ่งย่ยยอยๆเดืน้หน้าถอยหลังสิ่งรักใหญ่หญๆเราก็ยุดเอาไว้จะ ท, ทาให้มันถูกผมเคยเตือนเมื่อพวกไปที่พุทธมณนลเนี่ยผมไม่กินข่าวเลยธรรมะก็แคทธรรมะโยเกเยก ผมก็เคยเคยเอาข้อในที่ประชุมอยู่คือวมันไม่ถูกกล้องมันข้ามมันขามันโอเคเอาไปมันข้ามามันข า, นขาเราก็คิดเ อ, เองว่ามันถูกที่จริงหลวงพ่อเอจ้าสำนักหลวงพ่อเทียนเราหลวงปู่เทียนเราวางเอาไว้ให้เราปฏิบัติเราเป็นผู้ปฏิบัติตามไม่ไม่ใช่เราเป็นเจ้าของนลเราไม่ได้เป็นเจ้าของต้นฉบับเลยเราเป็นผู้ปฏิบัติตามแนวนี้ออื ถ้าเอาแนวนี้มาปฏิบัติเอาตัวนี้เป็นตัวยึดตัวหลักมันถึงจะไปรอดไ ม, ไม่รู้ว่าต่างคนต่างทำทำไปเรื่อยๆอยู่ยยไปมังมือผู้ปฏิบัติใหม่ก็ไม่รู้จะยึดเอาตัวไหนเป็นหลักใจคนไหวอนี้คนนี้ไหวอย่างนั้นคนนั้นให้ยกมืออย่างนี้คนนี้ให้ยกมือยงงอย่างนั้นอีกละมันต้องเอาตามสูตรสูตรวิชาเห็นไหมวิชาธรรมกายสูตรวิชาธรรมกายเขามีสูตรของเขาลยมันมีได้ไหมครัมันในพระไตรปิฎกมันมีได้ ที่เจ้าเขาพูดเอาเองนะพระพุทธเจ้าจากกับนุทำมักไกนะ่เลยขวัญแต่มันมีในพระใจปิฎกนี่เป็นวิชาของเขาแต่วิชาของเราเป็นวิชาเคลื่อนไหวเป็นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแบบหลงพผาเทียนหลงตู่เทียนกิตกสุโพได้ต้นฉนบับอยู่พมานะ่าไลยต้นฉนบับอยู่พมา่าแบบนี้แบบเรานะมาจากพม่าย่า ง, งหนอขัวหนอ เอามาเขามาก่อนนี่พวกเจ้าคุณที่วัฒนธรรมนี่เอามาหรือเจ้าคุณเถรดกเอามาก่อนไปอบรมอยู่ที่พมา่าเอามาเอามาอย่างนี้นะ่ะไว้นิ่งนี่นะ่ะเอามายกมืออย่างเรานี่นะ่ะเอามาครั้งแรกเอามาครั้งแรกเราไปเผยแพ่ทั่กรุงเทพเผยแพ่แล้วเขาก็ว่ามันทํายากคือมันมันมันไว้นิ่ง ไ, ม, ไม่ใช่เคลื่อนไหวไหวท้่มันก็นิ่งมันนานพอดีก็เลย ถ้านก็เลยกลับไปใหม่กลับไปกลับไปใหม่คือเจ้าคุณโชดกหรือเจ้าคุณหลวงพ่อพุณธธรรมสังงมกลับไปใหม่กลับไปในเบลอย่างหน่อขอนหนอมายกต้นหนอย่างหน่อขอนหนอได้มาจากพม่ายกมือนี้ก็ได้มาจากพม่าดลเสต่ว่าหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนเราไปเอามาจากเราจากวัดเทียนเราเอามาจากลราพุทต่ออีกจอหนึ่งแต่หลวงพ่อไม่ได้เอาไว้นิ่งไม่ได้เอาจริงนิ่ง เพราะมันมันช้ามันกดมันเกยทั้งเลยมาเอาแบบเคลื่อนไหวกายเคลื่อนใจรู้กายเคลื่อนใจรู้กายมันเคลื่อนใจมันรู้สึกแล้วแบบเคลื่อนไหวจึงเลยตั้งโดยว่าเป็นสติแบบหลงพอเทียนแบบเคลื่อนไหวที่จริงอันนี้เอามาจากพมาก่าการยกมือน้วยมือจากพมาก่าย่างนอ้นองโขน้องมาจากพ ม, ม่ามาจากพมาก่า แค่คาคิดเอาเองเนี่ยมีสูตรของมันมีวิชาของมันมีที่ไปที่มาแล้วก็เคยได้ยินหลวงพ่อประเทศไปฟัหลวงพ่อเทียนในเทศน์อะไแต่ว่าหลวงพ่อเอามาหลวงพ่อเทียนเอามาใช้แบบสากลคือไม่ต้องกดไม่ต้องเกรงไม่ต้องนิ่งไม่ต้องไม่ต้องนิ่งไม่ต้องว่าไหวนิ่งเป็นการเคลื่อนไหวคือทํำมาจังหวะทําพอดีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกดไม่ต้องเกรงไม่ต้องหอบไม่ต้องว่านิไหว แต่กรณนนีท้าๆนี้ไม่เอาเอาแบบธรรมดาคือให้มันคล่องตัวขึ้นมาก็เรียกว่าแบบเคลื่อนไหวแบบการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวคือมันเคลื่อนไหวปักใจให้มันรู้ไม่ต้องกดไม่ต้องกดไม่ต้องเกงผมเคยไปปฏิบททัติธรรมอยู่ที่น้ำมหาสมดีเนี่ผมเคยไปไปเข้ากรรมอหัวตอไปปฏิบททัติธรรมแบบวัดเจ้าพนเอ น, นี่นี่ก็อย่ากหมอโขนอนกันมันช้า ผมไปทําตั้งเก้าวันเข้ากรรมเกือบตายตรวจนะน่นนองแน่งอะไรตัวตัวหนึ่งคือมันกดเอแล้วเคยปฏิบัติไปค้องตัวมาก่อนเราไปปฏิบัติของเขาจะทำอย่างอื่นก็ไม่ได้เราทำเหมือนเขาที่วัดบ้านเพียงน่ผมไปกระต่ายเรียนลายบ้านเพียงไปเข้ากรรมวันเก้าขีนเกือบตายเก็บมด็ดกระดูกเขาเดียวคือมันเดินช้า อ, อย่างเราจะไปจับข้าอย่าง อยากนี่เลาไปเนี่ยเจตัจกข้าวโอ้โหเป็นชั่วโมงกันน่ะก mm hmm. ันข้าวควรจะหยิบซ้อม mm hmm. ควรจะเข้ามาเข้ามาไม่ใช่เข้ามาตรงๆแล้วเข้ามาเราต้องมาหยุดด้วยกว่อนใส่ mm hmm. นี่คือคือมันมันชามันบมเลวมันเก่งมันกดโอ้โหบาไลอะไ ร, ะไ ร, ะไรนี่โอโกดเก่งเลยหมดเลยแล้วก็ทําได้สู้ได้ เขาเมองตาเดียวเราก็ดียวตา ต, ตามได้ไม่เป็นไรทำได้ทั้งเก้าวันนี่คือคือมันมันมีสศึกของมันมิชาของมันเราเรียนวิชาไหนแล้วก็เอาวิชานั้那มาใช้ตามที่เราเร า, เราล่ําเราเรียนมาเราศึกษามายัางไงแล้วก็เอางัา้นมาใช้อย่างฟกคูก็เหมือนกันเข า, าเรียนเกตไหนซีไหนก็เอาซีนั้นมาใช้เขาไม่ได้สอนเนื้อเยื่อไหมสอนตำหลักวิชาการ เราก็เหมือนกันนะเราก็ทําวิชาของเราเหมือนวิชาเคลื่อนไหวในการจรินตนาการแบบหลวงพ่อเทียนเราตอนนี้มาใช้การสร้างจังหวะก็ดีการยกมือก็ดีทำให้มันถูกทําให้มันถูกแล้วมันสบายแล้วก็สอนผู้อื่นได้สอนผู้อื่นก็ไม่ผิดนะถ้าเราสอนผิดสอนผู้อื่นก็ผิดเหมือนกันยกมือแล้ว ก, กันไงอาวางหัวเข่าวางยังไง ท่าทางเป็นยังไงยกสูงยกต่ำยกยังไงยกไวยกช้ายกยังไงต้องให้มัมีระบบมีศิลปะในการในการเจริญสติให้มีศิลปะทําให้มันถูกเถอะนะเราจะพูดเข็ญไปนั่น อ, อื่นเลยเราลักหลวงพ่อเราต้องปฏิบัติตามหลวงพ่อในแนวหลวงพ่อหลวงพ่อก็เอามาเอามาจากคําสอนเอามาจากพระไตรปิฎกไม่แค่มาอย่าง อ, างอางื่นเลยว่าหลวงพ่อเทียนเอามาสอนไม่มีนะพระไตรปิฎกมันมีนะ มันมีมันมีวิชาทองมันมีมาถ้าเราศึกษาให้มันดีๆปฏิบัติให้มันดีๆเราเราจะรู้จะเห็นจะเข้าใจรู้เห็นตามพรมเป็นจริงรับรองผมรับรองคนนี้ที่ว่าหลักนี้แนวนี้ถ้าเราปฏิบัติจริงๆมันรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ถ้าปฏิบัติจริงๆถ้าปฏิบัติไม่จริงก็รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เหมือนกันว่านเป็นปัจจังปัจจังเวทิตโภวิญญูหิ ผู้ปฏิบัติจะรู้ได้เองเห็นเองเข้าใจเองเราอย่าไปทำนึงของศาสนาอื่นศาสนาอื่นก็คือศาสนาอื่นคุณสมบัติของเราคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกามันมีในหลักหลักวิชาธรรมหนึ่งต้องเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธานั่งใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อย่าไปนั่งใกล้ทางอื่นคำามานั่งใกล้มันนั่งใกล้อย่างไรก็คือจะนั่งจะนอนจะกินจะเดินจะทําจะพูดจะคิดก็ให้มีพระพุทธก็ธรรมประสงค์เนี่ยไปอยู่ด้วยมีเพื่อนั่งใกล้อย่าไปทรงไหนก็เอาไปด้วยมีสติด้วยสติเป็นพระพุทธก็ธรรมประสงค์มีผู้มีศรัทธาตั้งมั่นเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติได้จริง นี่คือเรืไม่ศรัทธานี่คืคุณสมบัติของเราของสมาสบัติการตังมัน่นโดยมากทุกวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ ง, น, น, น, ง น, นั้นมันมองพระแบบลบมือเห็นพระเสียรูปเดียวทำไมมันดีไม่หมดเลยดีแผลไม่ไหมดเลยองค์ดีๆก็เยอะองค์ดีๆก็หลายให้เรามองให้เราหนักแน่นนี่คือคุณสมบัติข้อสองรักษาศีลบริสุทธิ์ศีลั้องบริสุทธิ์ด้วย เป็ของบาตรศกวาสิกาต้องบริสุทธิ์เป็นห้าเป็นสินสังคมเป็นสินสังคมเราต้องทาให้มันได้อย่าไปร่วงละเมิดเขาอย่าไปร่วงละเมิด อ, อย่าไปทํารื้อสิทธิศิลพยายามอยู่อยู่ให้มันเป็นให้มันบริสุทธิ์พ่อสามอย่าถือมองคนตื่นข่าวทุกวันนี้เป็นยังไงแล้วตื่นแล้วนี่ ตีนขาวาจะมาโกงจะมาเชื่อเอาาาานะื้อสวาธารณะก็ตื่นเนีมีหนังสือเซ็นให้กันทั่วป่านทันะ่วเมืองต้องเอเสบียงบ้านต้องมีลายเซ็นต้องรับรองเงินรันอย่างนี้ยุ่งไปหมดเลยไอ้มาปฏิบัติธรรมก็ยุ่งอยู่กับอันนี้เห็นไหมยนื้าสัตว์เขาคองคายพยานต้องหาต้องเซ็นต้องอะไรต้องทําอะไรโอ้มันยุ่งไปหมดเลยไม่กลัวทำไมอย่างนั้นถือบางคนตื่นขา่า เราเป็นชาวพุทธอย่างพวกเรามาพุทธปฏิบัติธรรมอย่าไปถือบงคลตื่นขา่าวเชื่อการกระทำของเราเชื่อกรมอย่าไปเชื่อมองคลตื่นขา่าวอย่าไปเชื่อมองคลการกระทำของเรามันดีไหมมันปกครองไว้ดีแล้วที่มันข่าวมเหมือนกันเราจะได้ฝึกของเราให้มันเส้นแข็งจะ ไ, ได้ปฏิบัติธรรมมากๆพระเจ้าประสงค์ของเราก็เหมือนกันจะได้ดูตัวเองมากขึ้นโอ้มันไม่ไหวแล้วสังคมทุกวันนี้มันชักจะยังไงอย่างนั้นจะได้หันมามองดูตัวเอง จะได้ฝึกตนเองให้มากขึ้นให้มันดีขึ้นเช้่มแสงเอาไว้ฝึกจิตฝึกใจฝึกฝึกปฏิบัติตามพระธรรมินเอาไว้ให้มันมองมากเนี่ยฝึกการตามองเอาไ้เยอะๆเนี่ยนี่คุณสมบัติข้อที่สามข้อที่สี่ทำบุญแต่ในพุทธศาสนาคือบํารุงข้อที่สี่บำรุงพุทธศาสนาขอเราด้ยการทําบุญอย่างวันนี้อย่างเราจะได้บุญนั่น จะมีญาติมีโยมมาถาวายข้าวต้มหนึ่งเดี๋ยวหลวงพ่อเียดจบแล้วก็เดีวกินข้าวต้มฉันข้าวต้มกันเนี่ยนี่คืออาศัยการบํารุงการบํารุงถ้ามันมีคนมาบํารุงเราเลยมันจะเอาที่ไหนมากินอ่ะมันมันไม่มีกินะฉะนั้นพูดที่หนักเนี่ยในพุทธศาสนาจึงบํารุงกับพุทธศาสนาคือทําบุญให้กับพระพุทธศาสนาแต่า ง, งาน อ, อบรมวันค้องนี้เนี่ยวัดค้องนี้ของเราเ น, นี่ยใครใก็อยากจะมาทําบุญในพระเจ้าพระสงฆ์ให้เพื่อนปฏิบัติธรรมให้ได้อ ย, อยู่ให้ฉันให้ได้กิน ก็อาศัยบุญอาศัยแรงบุญอาศัยแรงสนับสนุ น, นข้อที่สุดท้ายข้อห้าไม่สแสวงบุญนอกพระพุทธศาสนาข้อนี้สำคัญนะไม่สแสวงบุญนอกพระพุทธศาสนาทำบุญแต่ในพุทธศาสนาข้อนี้เน้นลงไปถึงว่าให้เราสามกีกันอย่าแตกแยกกันรักกัน ทกวันีนเงพระบางลูกเหรอพระบางลูกเนี่ยไปทนำะได้ไปทํางานในห้ศาสนาอื่นก็มีด้วยยางนี่ผมเห็นมาเขไม่ใช่เอยซื่อกันอย่างอาจารย์นุ้เวียงวัดมหาัมดีวัดป่าเดลันี่เป็นมหาไปทํางานในศาสนาคิดสมัยก่อนผมเคยรู้จกักเพราะผมเคยไปปฏิบัติธรรมที่นั่นเคยรู้เคยรู้กันเคยเห็นหน้าเห็นตากันผมไปวันหลังไม่เจ ถามมาไปไหนเราท่านอาจารย์มหารูกยังไปไหนบอกว่าไปทํางานในศาสนาพุทธเขาไม่ลดให้สีม่มีเงินให้ใช้ทำศาสนาพุทธไม่จะหมดทํางานศาสนาพุทธจะมีอะไรได้ทำไปทำมามันจะเหมือกกระเป๋เปาไว้เัินนะี่แหละวัตถุนิยมมันก็สามารถดึงจิตนิยมไม่ได้หม่เกันพุทธศาสนาสอนให้เอาเสียสละแม้แต่เรื่องส่วนตัวก็ เ, เสียสละ สมสุขเล็กๆเป็นไต้องเสียสละเขามีครอบมีตัวมีลูกมีเมียมีย่ามีเดือนมีอะไรอยู่อาศัยสะดวสบายเราไม่มีถ้าเราจะมาทํางานจริงๆต้องทําให้มันจริงๆต้องเสียสละอย่างผมไปเยี่ยมวัดบัดนองกุงผมเสียสละบางสกุลมาว่าบาทไหนสตางค์ไหนก็ไม่ได้ใช้เลยใช้ก็ใช้กับวัดเลยซื้อหินมาใส่วัดซื้อต้นไม้มาปลูกหาของมาใส่วัด ไม่มีอะไรเป็นของส่วนตัวนี้คืต้องเสียสละถ้าเราโม้เพื่อส่วนตัวแล้วก็ไปไม่ได้พุทธศาสนาไปไม่นานอย่างญาติโยมก็เหมือนกันเสียสละทุกอย่างนี้เป็นผู้เป็นคุณสมบัติของเราให้เราตั้งมั่นคุณสมบัติห้าข้อเอาไปใช้เอาไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราเราจะได้จะได้เป็นคนมีจิตใจเอืออเ้ อ, อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน อบออมอารีซึ่งกันในกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันในกันพุทธศาสนาสอนให้เรารักกันให้เราสามัคคีทำกันไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นอสอนให้โเกียรตกันเลยอย่างศาสนาอิสลามอย่างเงี้ยถ้าใครฆ่าคนนอกศาสนาได้หรือ ว, ว่าได้บุญได้บุญถ้าฆ่าคนในศาสนานตัวเองบาปถ้าฆ่าคนนอกศาสนาอื่ น, นได้บุญทำไมอะไรงนั้นด้มีคำสอนของเขา ดาบดาบเป็นเป็นทางสวรรค์ของเขาเพระพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นตอนที่เรามีเมตตาเมตตากรุณาแผ่ไปถึงสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตเพศสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่เปนเพืนทุกข์เสด็จใหญ่เจ็บกายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่ามีเวรอย่ามีภัยให้มีความสุขสุกกายสุกใจคือสอนให้ไปก้วงไปนั้นอีกนี่คือพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ยืนหยัดให้เราได้ไดไดพิสูจนให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ประพูจน์ปฏิบัติทำและขอให้เราพวกเรามั่นใจในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขมั่นใจอย่างนั้นอละที่กล่าวมาก็สมควรเนาะแล้วก็ห้าห้าห้าห้าโมงขึ้นนาทีห้าทุสมควรเจวเวลาใช้สุรุนการเทศนาวันนี้ ธรรมาก็ขอให้ญาติธรรมทุกท่านจงต้องตั้งใจสังพุตปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราทุกทุกท่านทุกทุกคนเธอ